ป่วยหนักรักษาด้วยธรรมโอสถคราวหนึ่งท่านออกวิเวกโดยเดินทุดงไปทางบ้านกระโหมพนทองซึ่งอยู่ระหว่างอำเภอบ้านผือกับอำเภอท่าบอ่อ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 เพราะจิตยังจะค้างอยู่ในชั้นใดชั้นหนึ่งในความรู้สึกยังมีอะไรอาวร อ, อยู่แต่ไม่ใช่กับชีวิตเป็นความอะไรอาวร อ, อยู่กับมรรคผลนิพพานที่ตนต้องการจะได้แต่ด้วยเหตุที่โรคมันบีบบังคับตลอดเวลาทาให้ท่านต้องหมุนกลับมาพิจารณาย้อนหลังว่าทาให้ท่าน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 ถึงเป็นถึงตายเลยทีเดียวจากนั้นก็เข้าที่นั่งภาวนาโหมกำลังสติปัญญาหมุนเข้าพิจารณาทุกขเวทนาในจุดตรงกลางอกที่กำลังเจ็บเสียดแทงอยู่นี้ท่านเล่าไว้ดังนี้พิจารณาทุกขเวทนาในหัวอกนี้ว่าเป็นยังไงเกิดขึ้นจากอะไร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 พอหลังจากนั้นแล้วก็ลงเดินจงกรมเขาเรียกตะเกียงอะไรแก้วครอบเล็กๆภาคอีสานเขาเรียกตะเกียงโป๊ะจุดไว้ข้างนอกมุงโนนตั้งแต่ต่อสู้กันอยู่โนนนะจุดไว้แล้วก็เข้าที่ละมองเห็นไฟอยู่นอกมุงโนนไม่ได้เอาเข้ามาในมุงจากนั้นก็ลงเดินจงกรมโอ้ย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 อย่าให้เกิดขึ้นมาด้วยการคาดการหมายมันถึงแก้สดๆร้อนจริงๆ